ก่อนน้อมต่อพระลาไตรต่อไายความเคารพมายัางพ่อกรมรมวงตังเพื่อนสาสตธรรมทุกๆรูปจริญร์พรจั น, นทร์เนธามายัางคุณแม่ชีอุบาศกอุบาศิกาทุกๆท่านเราก็นั่งตั้งใจฟังกัน มีความรู้สึกตัวมีสติมีสมาธิมาฟังแล้วก็ลองใครควรดูว่าสิ่งที่พูดนี่มันพูดเรื่องของที่มันอยู่นอกตัวเรื่องของที่ันอยู่ในตัววันนี้ก็เป็นบัรจันช่วงเย็นธรรมวัดเย็นกันของที่13เมษายน พุธศักราส2557ก็เป็นวันมหาสงกรานนะวันนี้นะมนท้องนถนนก็แต่ไม่ได้รถรานะ mm hmm. จะเดินทางจากที่1นึ่งไปอีกที่1นึงก็งกติดขัดพอสมควรแต่ว่าก็เป็นไปด้วยความเต็มอกเต็มใจ mm hmm. ที่จะร่วมกันเดินทางสู่จุดหมายปลายทางคือ mm hmm. บ้านช่องหรือว่า จะมาวัดเปล่าสุกโตก็ตามวันนี้ก็ได้มีโอกาสไปรถน้ำที่วัดภูเขาทองเขีนก็มีกระดูกหรือว่าอัติธาตุของหลวงพ่ออมเขียนก็มีกลุ่มผระสงค์หนุหมู่ประสงค์ทบีดเกิน5า้าภาษามีกุณธรรมคนที่ชาวบ้านจะยกย่องเขาก็ พาไปอาบน้ำเอาน้ำตักใส่ในกระบอกไม้ไผ่จ่อเป็นลางไหลไปด้านหนึ่งก็อยู่บนระเบียงบดอีกด้านหนึ่งก็อยู่ที่รานหินโคง้งทำซุ้มบางสี่ด้านไม่ให้คนเห็นปลาไปนั่งอยู่ข้างในน้ำไหลมัก็อาบก็เรียกว่าอะไรล่ะ ยาชายาคูรนะตาเป็นสาวญชาเถราบัญญาคู <Okay. S 1> รถหลังจากนั้นจะบ้านก็จะนอนปลาเปลี่ยนผ้าเสร็จจะเดินเหยียบยาดโยมที่นอนทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย <Okay. S 1> เหยียบข้างหลังนอนกว้าก็ว่ากันว่าใครปวดหลังปวดเอวจะหายเลยว่าันมีเด็กมังกลก็ไปนอนให้เหยียบอยู่เหมือนกัน จากนั้นก็มีการรดน้ำพระสงฆ์เป็นไปด้วยความสวยงามสวยงามตรงที่มันมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่มีนายอำเภอมีกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีผู้สูงอายุใส่ผ้าสิ้นไหมเสื้อลายดอกผ่าลูกไม้ในขันก็มีแป้ง มีน้ำหอมมีเกี๊ยวกุหลาบมีดอกลักดอกคูณสีเหลืองเหลืองมีดอกไม้อีกนานาชนิดนะลดลงมาเปการให้สีให้พรมีความสวยงามมีการสาดนา้ามีน้ำแข็งเย็นๆราทีครึ่งถังครึ่งคุไม่มีแล้วก็มีความสึกอืม มันเป็นประเพณีที่งดงามที่สวยงามที่หลวงพ่อเทียนท่านวางระเบียบเอาไว้ที่นั้นก็เป็นลักษณะของประเพณนะีว่าทาเป็นอาริยธรรมที่ควรจะสืบทอดกันอีกยิ่งๆต่อๆไปวันนี้ลองถามอาจารย์สมใจซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ลหาสมัยอยู่หลวงปู่เทียนว่า ก็มีประเพณีในหมู่นักิบัติในขณะที่หลวงปู่เทียนอยู่ไม่อาจารย์สมใจบอกไม่มีว่ากันไม่มี ม, มีแต่เกอนไหวรู้สึกตัวเดินจุกรมนั่งร้างจัหวากันไปไม่มีพิธีรีตองไม่างทำวัดสวดบันทีอลหังสัมมาเสร็จพอพอพอพอเทียนบอกเนี้ยนะ เทศเลยเท็เลยคุยยังไงแม่เอาพิธีรีตองตัดทิ้งมาเลยเข้าถึงสภาว่าที่มันหมดทุกจริงๆก็คือทำความรู้สึกตัวให้เป็นนะฮะตัดลอยฟังเนี่ยนะจะจริงจะเท็ดยังไงก็ต้องไปสืบสาวหาเหตุกันอีกทีว่ากันว่าใครก็ตามที่ผ่านหลวงปู่เทีนเนยนน ท่านจะเน้นเลยให้ปฏิบัติว่าอย่างนั้นนะเดินอยกลมจับความรู้สึกตัวจเจริญสติให้เป็นตรงเนี้ยให้เป็นการวางกายวางใจเนี่ยทำให้เป็นรู้ให้เป็นปัจจุบันเนี่ยทำให้เป็นนะการรู้เท่าอารมณ์ที่มปรากฏขึ้นมารู้เฉยเฉยเนี่ยทำให้เป็นมีความคิดเกิดขึ้นมาอย่าเข้าไปในความคิดออกมารู้สึกตัว สัมผัสรู้ที่ฐานกายทําให้เป็นจนกระทั่งสภาวะผู้ดูคือสติปัฏฐานนะั้นมันเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นต้องสัมผัสตรงนี้เลย mm hmm. นะไม่ว่าจะเป็นพระบวชใหม่หรือว่าญาติโยมที่มาใหม่มาเก่าก็ตา mm hmm. มเมื่อทำถึงตรงนี้แล้ว น, นะนะสภาวะของรูปนามที่เปิดเผยกันมาเนนะี่ยมันจะหยุดไม่ได้ mm hmm. มันจะไม่ยอมเสียเวลาชีวิต mm hmm. มันจะรีบเดินทาง พอมยิ่งทํามันยิ่งเห็นตัวเองได้ชัดเห็นกายเห็นวาจาเห็นจิตใจของเราแต่ว่าจิตใจนะอารมณ์ของจิตก็คือความคิดคิดแ ล, ล้วรอบคิดแล้วกอดคิดแล้วหลงคิดแล้รักคิดล้ชังคิดแล้วิตกกังวลคิดแล้วก็ทุกคิดแล้วก็สุขถ้าสุขเราเอาเข้ามาถ้าทุกข์เราก็จะไม่เอาวันสองวันนี้มีญาติโยมมาถามเหมือนกันพระส่งเหมือนกันเมื่อคืนมีพระมาเดินอยู่ ท่านบอกมันมันฟุ้งซ่านสามทุงกว่าสี่ทุ่มมันยังฟุ้งอยู่ก็มาเดินปฏิบัติเปิดไฟอยู่มันฟุ้งจริงๆอยณโยมปฏิบัติท่านบอกมันฟุ้งอาจารย์มันคิดมากก็เลยบอกว่ามันดีแล้วมันดีแล้วความฟุ้งเนี่ยเป็นสภาพธรรมมันเป็นอารมณ์ของผู้ที่ปฏิบัตินั่นแหละ ทำไมมีสติมันเห็อาการฟุง้งอนะ่ะตรงเนี้ยมันจะทําให้รู้ทันความคิดได้ไวรู้ว่าฟุง้งไม่ใช่ปัญหานะตัวนี้นะ่ะแต่ถ้าไม่อยากฟุง้งนั่นแหละคือตัวปัญหาแหละตัวฟุง้งไม่จะ่ปัญหาเป็นแค่อาการแต่ว่าความไม่อยากฟุง้งไม่ชอบความฟุง้งในะตัวนี้มันคือสาเหตุของความหลงที่ทําให้เกิดทุกข์วิธีคิดคิดไม่ถูกเหมือนกระสักผ้าไม่อยากเห็นรอยเลอะเหมือนกันเลย ซักผ้าอยู่ต้องเห็นรอยเลยนะจึงเราตั้งแต่เด็กจนทางถึงทุกวันเนี่ยมันมีร่องรอยอยู่นะรอยบุญรอยบาปรอยสุกรอยทุกข์ลอยได้รอยเสียมันมีอยู่มันจะต้องเห็นอัตตาเห็นตัวตนของตัวเห็นมานะ <c oughs> เห็นทิฏฐิที่เป็นสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิต่างๆเพูดง่ายจลิตนิสัยนะั่นแหละนะคนที่กรดเก่งๆเห็นหน้าลมกรดก็ยิ่งบ่อยๆ เรียกว่าโทสัจจริตคนที่ชอบหลงก็เห็นอาการที่มันหลงตางตาหูจกมูกลิ้นอยู่ไม่เป็นที่ไม่เป็นทางจะมีสมาธิตั้งแ่ไหนกน็เดี๋ยวก็หลุดไปละก็ด้เห็นเป็นโมหะจริตของตัวเองชอบหลงกายเดินผ่านไปผ่านมาไหนก็หลงสัจจะลาสิ่งวิ่งผ่านไปผ่านมาก็หลงไปทางตาที่มีเสียงเสียงคล้องเสียงกลองเอ อ, อย่างไม่ชายมีเสียงกลองนะ พระเจ้าใครตีมั้แต่ละคนก็สงสัยอาจารย์ทรงสินตีบอกมันไม่ใช่นะพระเจ้ า, าได้ยินไหมเสียงกลองตุ่งตุ่งุงตุ่งบา ง, งคนก็หลงปรุงมา ว, ว่าใครตีเนาะอาจารย์ทรงสินตีหรือเปล่าบอกไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้ยินเหมือนกันแต่ไม่ได้หาว่าใครตีหรอกแต่ได้ยินอยู่ได้ยินเป็นเสียงกลองนั่นแหละอันนี้ก็คือบางทีมันก็กลายเป็นเสียงอินทาเสียงสรรเสริญ เขาชื่นชมคำชมหรืว่าดูด่าว่ากล่าวต่างๆทาให้เกิดความพอใจไม่พอใจนะผู้มีสติฝึกสติพลิกมือรู้สึกตัวเดินจงกรมรู้สึกตัวจะได้เห็นเวลามันเกิดโมหจะจริตขึ้นมาหลงไปทางรูปรสกลิ่นเสียงมันก็กลับมาที่ฐานกายเพราะว่าตัวรู้สึกตัวที่ฐานกายเป็นตัวฝึกสติปฐานเบื้องต้น ที่ทำให้ตาในของเราเค่อยๆ เ, เปิดขึ้นเปิดขึ้นเปิดขึ้ น, นสว่างสวัยขึ้นสว่างสวัยขึ้นตรงนี้แหละมันจะเป็นแสงสว่างแห่งปัญญามีสติก็มีปัญญาเป็นปัญญาวิปัสสนาที่เกิดขึ้นมาแล้วก็เห็นอาการของตัวเองอย่างเมื่อกี้เราสวดกันนะทุกอริยะสัตว์สทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุระยะสัตว์สมันเกิดจากตัวคิดตัวคิดคือทุกริยะสัตว์ส โชคสมุทรไทยนี่ลดมันะ้งปัญหาต่างๆเกิดขึ้นโลกเกิดขึ้นเพราะวิธีคิดของเรานะมันมีโลกเพราะมีวิธีคิดเรื่องเหนึ่งอีกคนมองเป็นมุมหนึ่งอีกคนมองเป็นมุมหนึ่งอีกคนก็มองเป็นมะุมนึ่งนานาจิตตังมันเป็นอย่างที่มันเป็นแต่วิธีคิดของคนปัญญาของคนแ่นะเหลื่อมน้ําต่ําสูงกันะมองเป็นคนละมุมคนละด้านไปหมดนะจริงๆเป็นแค่เรื่องของวัตถุอาการปรัมมัตินะ เป็นแค่กริยามากมายแล้วเกินตาละมองเห็นเป็นประมัดมันก็อย่างมาเช้าเสียงก็สักว่าเสียงนะมันไม่มีการหาคนตีคือใครหรอกมันก็จบแค่เสียงคือเสียงแล้วเออรู้แล้วมีเสียงนะมันจะรู้แค่นี้ละทีนี้พอเรามีความรู้สึกตัวเป็นหลักเอาไว้นะตัวมันมีสองตัวตัวกายก็เรียกวทุกขัง อาการของกายก็ต้องปรากฏให้เราได้อ่านนั่งก็เจ็บก็ปวดก็เมื่อยก็หิวปรเดี๋ยวจะขับถ่ายบ้างเดี๋ยวก็ร้อนก็นหนาวบ้างอย่างนีน้อันนี้เป็นอาการของกายก็เรียกว่าทุกขังมันก็เป็นอาการเกิดดับมันมีอาการทุกในไตรักแสดงระดับสามอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อเรามาเฝ้าดูมันเห็นกายเห็นอาการของกายมันก็อ๋อนี่คือธรรมชาติอ๋อนี่คือธรรมชาติจะต่อขึ้นมาข้างในนะ มันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องมาเป็นความทุกข์แต่เป็นเรื่องที่เราจะต้องเกี่ยวข้องอาการเหล่านี้ให้ถูกต้องเช่นหิวจะต้องทําไงทุกคนก็รู้ดีว่าหิวจะต้องทําไงก็ไปหารับประทานซะมาได้เวลากับประทานซะแต่ถ้าทยานอยากอยากกิน น, นี่นั่นอยากกินนี่นี่อยากกินนี่นูน่นถึงอิ่มแล้วก็ยังอยากอ ย, กอยู่อันนี้มันเรื่องของกิเลสมันมีเรื่องของสติปัญญา มันก็จึงมีทุกข์ที่เรียกว่าทุกข์ขังแล้วก็มีทุกข์ในใตายลักในด้วยเราหนาสามอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปจนกระทั่งเราชินกับมันเห็นจนชินใหม่ใหม่เห็นอยางก็ชอบไม่ชอบถ้าปวดเมื่อยเพราะว่าทํางานที่เราชอบไม่เป็นไรแต่ก็ับปวดเมื่อยกับการทำกรรมฐานนั่งปฏิบัติไม่พอใจอันนี้เราวางใจไม่ถูกต้อง อาการก็คืออาการแต่ว่าพอมีสติก็มองอีกแบบไม่มีสติก็มองอีกแบบมีความโลภก็มองอีกแบบไม่มีความโลภมองอีกแบบเท่านั้นละความคิดก็เหมือนกันมันก็คิดตลอดทั้งวันนะคิดมากคิดน้อยเด็กก็คิดแบบเด็กแม่ชีคิดแบบแม่ชีพระคิดแบบพระสูงอายุคิดแบบผู้สูงอายุคนรวยคิดแบบคนรวยคนจนคิดแบบคนจนทีนี้ มันก็เกิดจากตัวคิดเหมือนๆกันนะวิธีคิดพอปฏิบัติเท่านั้นนะบางคนก็มีสติรู้แทนบางคนก็มันมีสติคิดมากๆก็ไม่พอใจทั้งนี่ก็เดินทั้งวันมันก็คิดทั้งวันนั่งทั้งวันก็คิดทั้งวันนอนทั้งวันก็ฝันทั้งวันไม่ว่ากลางวันไม่ว่างคืนกลางคืนก็ว่าฝันกลางวันก็ว่าคิดพอเราปฏิบัติยิ่งเห็นความคิดมันก็ยิ่งมีสติมากนะ ทฤษ4คิดดีก็คือคิดคิดเหม่ดีคือคิดเพราะนั้นวิธีปฏิบัติให้กลับมาสัมผัสรู้จนแยกรูปแยกนามจากปลักตรงนี้เลยมันจะเห็นเป็นความคิดสักตะวันคิดรูปสักตวันรูปเสียงตะวันเสียงจิตใจมันจะเฉยเฉยบางครัง้งบางคราวก็มีบางครัง้งบางคราวมันก็ไม่มีขายายผลให้ที่มัน มีไปสู่ความไม่มีขยายผลตรงนี้ได้ก็คือสร้างความรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องวางกายวางใจแล้วสังเกตดีๆในทุกๆสถานการจะอยู่ตรงไหนใจก็ปกติอยู่อย่างนี้นะจะอยู่ตรงไหนก็ตามมีความรู้สึกตัวอยู่เหมือนกับกล่าวครั้งหนึ่งเคยอยู่กับหลวงพ่อเขียนตอนสมัยท่านมีชีวิตตอนบวชใหม่ๆท่านก็บอกว่า อาจารย์ทรงศิลตเาเลอาจารย์ในระเบนดใหม่อาจารย์ทรงศิลไปสุกโตแล้วก็รู้สึกตัวเลยจเจริญสติอย่างเดียวเลยอยม่คนเดียวนั่นแหละอยู่ได้ไะ่ะที่นั่นก็คนเียวจิ้มแจ่วอยู่ได้ไหมละ่ะไม่เหมือนทุกวันนี้นะอาหารก็เกินพอดีละะแต่สมัยก่อนนะโอ้มันอาหารอัตคัดมากอยู่ได้ครับมาสุกโตจะอยู่ได้ครับอืมดี มักจะไปเดินจงกรมที่สาราไก่สมัยก่อนสารานั้นมันไม่มีสารานี้ทําบัตรสวดมนต์ก็ทําที่สาราไก่สารานี้ก็ยังอยู่บนยอดเขาอยู่ตอนหลังก็ใครเลือมาทําอยู่ตรงนี้ยพอทําวัตสวดมนต์เสร็จแล้วก็เดินจงกรมอยู่ตรงนั้นกุดหลวงพ่อมาเขียนก็เดินเลยไปนิดนึงสมัยก่อนกุดปูนปัจจุบันเนี้ยไม่ทราบตอนนี้ใครไปอยู่เราก็เดินจงกรมท่านมาจากวัดภูเขาทองก็เดินมา ทางสะลานหาแล้วข้ามสะพานเดินมาผ่านมาที่สะระกยเราก็เดินจงกรมอยู่ต๊กตักต๊กตักต๊กตักท่านก็บอกว่าดูดูแล้วก็เดินผ่านไปเลยนะการให้อารมณ์ปฏิบัติกูบาจาัยไม่ได้พูดเยอะดูอืมเราก็สังเกตไอ้สิ่งที่ท่านพูดมันกำลังเป็นอันเดียวกับสิ่งที่เราทําอยู่เนะี้ยเราก็ดูยังดูไกลดูใจจริง เห็นความเป็นปกติจริงๆมันเห็นจริงๆอันนี้ไม่ได้โกหกตัวเองหลอกตัวเองแล้วหลอกคนอื่นปฏิบัติแล้วต้องเจอใครเจอตัวนี้มันทำได้เรื่อยๆวันตั้งวันเนี่ยมันสนุกกับการปฏิบัติแป๊บๆหมดวันแป๊บๆหมดวันมันไม่กลัวหรอกอารมณ์มันพร้อมเผชิญความปวดเหงาหานอนความเจ็บความปวดความเมื่อยความเบื่อเพราะว่ามันมีเครื่องอยู่มันอยู่มีหลักของกรรมฐานอยู่รู้สึกที่กายและใจปกติตรงนี้มันมีมันอยู่ เราก็สังเกตล่องนี้ให้ดีๆมันเป็นล่องของมรรคของผลไปสู่นิพพานความเย็นอกเย็นใจเกิดจากความรึกตัวที่เป็นปกติรู้กายแล้วก็ใจปกติรู้ว่ามันคิดแล้วก็ใจปกติบางทีมันก็มีปัญหาเหมือนกันว่าคนเรามันอยู่กันหลายคนเนีพรากันนาณาจิตตังแล้วก็ความรู้ความสามารถแตกต่างประสบการณ์ชีวิตกันไม่เหมือนกันขุนชาติกําเนิดจังหวัด ภาคที่อยู่ต่างๆไม่เหมือนกันกรรมพืชไม่เหมือนกันวิธีคิดวิธีพูดวิธีทตตําก็แตกต่างไว้ธ mm ีทำเพรนี่แตกต่างวิตามินทานมีสริเสริญมีลาบเสริมลาบมียดอยดเสริมยอดมันมีอยู่โลกธรรมแมันครอบคุมทุกคนเ mm hmm. วลามีปัญหาหลวงพ่อถา ม, มพอมเขียนนะดูอยู่หรือเปล่า mm hmm. ครับผมดูอยู่ครับใจปกติดี mm hmm. เออเออเนอเอ อ, เ อ, เ อ, เอแบบนี้แหละแบบนี้แหละ mm hmm. ทันใจอารมณ์เรามันก็มีแบบนี้ด้วยนะแล้วเสร็จแล้วก็ไปว่ากันใหม่ทะเลาะตั้งกลุ่มตั้งอะไรที่กอนอะไรก็ละว่ากันใหม่ดูซิตัวไหนจะแสดงอะไรออกมาน้ำกรผ่านในตัวเฉยเลยคิดเอาเองเอก็ทุกข์เอาเองล้วกันก็เป็นอย่างนั้นเราก็ลอยตัวอยู่ตรงนี้อิสรภาพก็อยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงที่มันรู้สึกตัวอยู่ อ่านกายอ่านใจของเราก็เลยเข้าใจว่าอ๋อไอ้ตรงนี้ทนะี่เรียกว่าอ่านตัวเองออกตัวมีสองตัวนะอ่านตัวเองออกนะอ่านกายอ่านใจนะอ่านออกเหมือนอ่านหนังสือออกเขียนได้อย่างงี้นะบอกตัวเองได้ว่ามันคืออะไรตรงนี้กายมีอาการของกายจิตใจมีอาการของจิตใจมันมีอารมณ์ตาก็ต้องกระทบกับร่วหูต้องกระทบกับเสียง ถ้ามีสติก็ปกติถ้าไม่มีสติก็หลงไปาตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเรียกว่าสลายยตนะกับอายตนะสลายยตนะการอายตนะรูปรดกลิ่นเสียงปุพะภาธรรมลมอายตนะสลายยตนะคือตาหูจมูกลิ้นถ้ามีสติอยู่ก็ปกติตาก็ดูก็เห็นจกักวัยเห็นนะเฉยเฉมันจะไม่ได้นนมีรูปผู้หญิงรูปผู้ชายนะ จะเป็นลนักษณะของกิยุทธอาการต่างๆที่กาลังแสดงออกมีการเคลื่อนไหวไปตามเหตุตปัจจัยขั้นแต่ละคนที่มันแสดงออกให้เราได้ดูมันมีอยู่ตรงนี้แหละมันจะเป็นสภาวะที่ขยายผลจากความรู้สึกตัวที่ฐานกายตาดูก็รู้สึกตัวหูฟังก็รู้สึกตัวไม่ต้องสมองคิดนึกปรุงแต่งก็รู้สึกตัวความฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านนะจิตใจของเรา เวลาจิตใจเรามันง่วงราู้ว่ามันง่วงในจิตเวลามันง่วงที่กายมันก็อ๋อนี่ง่วงที่กาย ง, ง่วงที่กายต้องพักหนะ่อยเช่นขับรถมาจากกรุงเทพนะรถติดๆตั้งแปดเก้ชั่วโมงยนะนะยังไงกายก็ต้องพักนะนะมันจะหลับแบบสบายอร่อยไปเลยไม่รู้เนื้อรู้ตัวอะไรตกผวังลึกไปเลยไม่ฝันนี่ต่างหาพอตื่นมาก็สดชื่น อันนี้ง่วงทางกายนะง่วงทางจิตนะเวลาปฏิบัติยกมือสิบ่อย่างง่วงทางจิตนะหลอกมันนิดเดียวมันตื่นนั่นสิอันนี้ง่วงในจิตจิตนขี้เกียจแล้วถีนแตมีท่านะจิตมันขี้เกียจมันเบื่อเหมือนกอารไม่ออกบอกไม่ได้มีขารสอบแล้วทำการสอบไม่ได้มันก็เบื่อเบื่อที่จะสอบเป็นอย่างนั้นเราก็เลยได้เห็นลนักษณะของการแสดงออกตามเหตุตามปัจจัย ของกายของจิตที่เราใช้ชีวิตมาอย่างไรคนสูบบุหรี่มันก็ติดบุหรี่มันก็อยากบุหรี่ร่างกายมันก็บอกอยากได้นิโคตินระบบประสาทก็บอกอยากได้นิโคตินหน่อยหน้าหน่อยน้าําก็ร้องขอดื่มโซลาก็เหมือนกันแหละมันติดเนี่ยคนติดกาแฟติดอะไรสา ร, รพัดนี่ยเก็อ่านเอาเองแล้วกันแล้วค่อยๆลดละเลิกไปค่อยๆฝึกค่อยๆหัดไปอย่างนีน้ก็เรียกว่า อ่าตัวเองออกบอกตัวเองได้แล้วก็ใช้ตัวเองเป็นอะไรดีก็ทำํำอะไรที่เราก็ดีก็ทําไปแม้กระทั่งมันจะมีการทักทายทักท้วงอะไรก็ตามเรารู้ว่ามันดีแน่ๆเลยว่าเราเห็นช่องเห็นร่องกับมันละก็ทําไปเลยแล้วก็รับผิดชอบถึงกาไครว่าไม่ดีไม่เป็นไรไก็ทําไปเถอะพอดีไม่ดีคือสมมุติทั้งหมดนะ เราก็เลยเหมือนกับว่าใช้ชีวิตอิสระภาพไปตรงนี้แหละพัฒนาการของการปฏิบัติตั้งแต่เราเริ่มฝึกการดูฐานกายจนตั้งเห็นว่านายเห็นจิตเห็นธรรมเมื่อเห็นแล้วมันจะเกิดการเลือกมันดีก็ทํามันไม่ดีก็ปล่อยก็วางไปทิ้งไปบางทีมันก็เกิดกะลาบนีมันทบทวนเห็นร่องรอยของตัวเองทําให้คนอื่นเดือดร้อน เบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นเมื่อกายเป็นร่องรอ ย, ยนแแิ่มแมวละเข็ดหลาบเข็ดหลาบเข็ดหลาบจริงๆคิดถึงเมื่อไหร่ใจมันไม่มีไม่มีกำลังเลยเคยไหมเคยไหม <spe c ười> เรื่องราวบางเรื่องคิดถึงแล้วใจมันไม่มีกําลังลหมดแรงไปเลยอันนั้นเราเรียกว่าบาถ้าทําอะไรแล้วใจมีกําลังคิดถึงแล้วก็มีกําลังใจอันนี้เรียกว่าบุญเลยรู้จักบุญรู้จักบาปจากการปฏิบัติ บางวันก็กรรมฐานหน้าดําปีออกมาเลยจกากป่ากรรมฐานหน้าดําก็หมายถึงว่า ม, มันปฏิบัติแล้วมันโหมันอารมณ์มันมันมีตะขวางๆบันเนี้ยความเบื่อเงี้ยค ว, ความโกรกความโกรธความอยากมีตกีเหล่ตัณหาแสดงออกมันมาบางังมาให้ปฏิบัติเงี้ยอยากรู้ก็ไม่รู้มันก็หน้าดําออกมาเลยนะเวลาออกมาข้างนอกเวลามาบินาบาตตําวัดสวดมนเนุษย หน้าเหลืองหน้าดําออกไปบางวันกับกรรมฐานหน้าขาวทําแล้วเกิดปิติเงี้ยคิดถึงเรื่องราวดีๆงามๆบางทีก็มีอารมณ์ที่เป็นอารมณ์บุญเกิดขึ้นมายิ่งทํายิ่งรู้ยิ่งทํายิ่งรู้เงี้ยปิติมันก็เกิดขึ้นมาเลยหลังความง่วงก็มีปิติผ่านอารมณ์ก็มีปิติคิดถึงสิ่งดีๆงามๆในอดีตที่เราเคยทําแล้วคนเคยทํากับเรา ก็เกิดปีติขึ้นมางเช่นผมเล่ามาอยางนะบางวันวันใดวันหนึ่งนะคิดถึงโอ้เราเนี่ยฉายยาสู่จิโนโนเหมือนหลวงปู่แหวนเลยโอ้โหสึกจิตใจมันมีกำลังมากฟูคิดถึงความดีความงานชาวบ้านคิดถึงโอ้หลวงปู่เทียนที่เดินเอาเทียนปากเอาไว้หัวท้ายเดินยงกลมไปเจอด้านซ้ายอ้นี่กเทียน ไปเดินกลับมาเจอด้านขวานี่กระเทียนโอ้หลวงปู่เทียนสอนดีแท้ๆไม่มีใครสอนให้เรารู้สึกตัวเหมือนกับหลวงปู่เทียนนะที่สอนตรงๆไม่เอาพิธีรีตองต่างๆให้เราปฏิบัติแม้ทั้งได้ยินเสียงท่านไม่ได้เจอตัวท่านแค่คิดถึงท่านมันก็เกิดกำลังใจขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นหรือบางวันนะมันเดินไม่ไหว มันเดินแล้วมันเพลียขาเจ็บตกบันไดที่ขาเจ็บตกบันไดบอกว่าโอเอโอเออยู่ที่กุฏิกุฏิ15นะอยู่ในป่านะนะเสียงคล้องมาดังมุ้งทําวัดเย็นเราเป็นพระบวชใหม่ต้องมาก่อนเวลาต้องมาตรงเวลามันได้ยินเสียงคล้องมันตกใจญ่เลยมันสะดุ้งมันปวดพลาดปวดพลาดลงบันไดมาตกบันไดบันไดเป็นไม้หน้าสามเงี้ย รุนตกลงมาบางทีก็เดินไปเดินมากับไม้ตำเท้าอย่างเงี้ยนะมันลุกมาทำวัดไม่ไหวบางวันหลวงพ่ออมเขียนท่านก็เดินเข้าไปหาเลยนะสมัยท่านมีชีวิตยอยู่ใครที่อ่อนแอใครก็ตามเป็นนักกรรมฐานเป็นพระเป็นชี ท, ที่อ่อนแอเดี๋ยวท่านอาจจะเดินเข้าไปหาพูดไทยกับลังใจบางทีท่านก็ไม่ได้พูดอะไรมากท่านก็สัมผัสเลย าขาเจ็บเนี่ยเอามือม า, มาสัมผัสเลยโอ้ยเป็นอะไรมากไหมเนี่ยมาลูบที่เท้าเราซึ่งเราก็ไปไดรั่งเลยนะยังเละะอะเทอะยังดําแบบเนี่ยเมตาของท่านนะพอท่านสัมผัสเราเราก็โอ้รู้สึกมีกําลังใจขึ้นมาเลยนะเดินทั้งวันออกมาเนี่ยตื่นตัวหน้าขาวออกมาเลยนเะพราะนั้นสังเกตนงะบางทีกับมีปีติก็ไม่ใช่ามาเป็นความพอใจบางทีกับมีความเบื่อ เราก็ไม่ได้เอาความเบื่อมาเป็นความไม่พอใจทุกๆอารมณ์มันเกิดขึ้นมันเป็นเพียงแค่อาการเป็นแค่สภาวะธรรมมีค่าเท่ากันอารมณ์ดีก็มีค่าเท่ากับ 0.00 ยอารมณ์ไม่ดีมีค่าเท่ากับ 0.00 ยความคิดดีกับความคิดไม่ดีมีค่าเท่ากันมันทําให้เราหลงได้ทั้งคู่แต่ตัวสัมผัสรู้ความรู้สึกตัวตัวนี้มันเป็นสภาวะของการที่ออกมาจากความคิด ซึ่งเป็นภพภูมิที่เราวรโลกียธรรมโลกเรามีสุขมีทุกข์เพราะดันั้นเวลาปฏิบัติธรรมต้องเจอสุขเจอทุกข์องค์สมเด็จสัมมาวันเจ้าก็ได้เจอสภาวะความสุขความทุกข์ในโลกนี้ละจึงดำหลีมาเกิดดำหลีมาเกิดในโลกมนุษย์เพราะว่าเห็นแล้วว่าในโลกมนุษย์มีสุขมีทุกข์โลกของมนุษย์จึงสามารถที่จะปฏิบัติธรรมและบรรลุธรรมได้เพราะดันั้นเราก็จึงะเเอาเยี่ยงเอาอย่างกัน บางทีเราก็ใส่เรื่องของการสร้างบารมีขันติบารมีเวขาบารมีขณะปฏิบัติเดี๋ยนั้นะมันเกิดขึ้นไหมใส่ทานบารมีใส่ปัญญาบารมีมันมีอยู่ในกังขามบารมีมันมีอยู่ในความรู้สึกตัวนะเพราะฉะนั้นเราอยู่กัรเดินจงกรมกันนั่งสร้างจังหวะไปไหนมาไหนรู้สึกตัวเป็นการสร้างบารมีนั่นเองวันนี้หลายคนก็ได้สร้างบารมีโดยการให้พระสองรูปเหยียบ พระสองรูปพระสองรูปมีกี่ขาโยมโยมที่ฟังอาตมาอยู่ตอบทีมพระสองรูปมีขากี่ขานี่คือคําถามแม่เพียนตอบไหมแต่ถ่ายรูปมันมัีห้าขา น, น, นะอาตมา ถ, ถ่ายรูปมาเจอเท้าห้าเท้าโผล่มาอีกหนึ่งเท้า ก็เลยถามดูว่าพระนะควรมีขากี่ขาอ่ะพระชวนกันดูมีขาห้าขาป่ะรวมเนี้ยขยายดูนะมีเท้าห้าเท้ามประเดี๋ยวดูกันก็เลยกันอีกเท้าไม่เท้าสีขาวๆนะแล้วก็อยู่บนเท้าของพระสาอ่ะเป็นค้าคนละข้างกันเป็นภาพพิสดารได้อีกภาพบ้างนี้ยนะหลายคนบอยกล้องเดี๋ยวนี้มันดีอะถ่ายติดวิญญาณด้วยอะ <laughs> มันจะติดอะไรกระช่างมันเถอะเดี๋ยวดูกันนะเอาเป็นว่าจะเล่าอะไรให้ฟังสมัยพุทธกาลเนี่ยมีคนสร้างบารมีแบบนี้ละนอนให้พระเยียบแต่ในนั้นเป็นพระเรียกว่าทีบังกรสมัยยุค ข, ของพระทีบังกรเนี่ยก็มีสุเมธาดาบทข้าสร้างบารมีถนนหนทางสร้างวว้จะเสร็จละโอ้สมเด็จสมณะเจ้ากับคณะเจ้เสด็จมาปรากฏว่าอากาศมัน กบกมัวฝนตกจนแฉะซูมเมธาดาบทก็โอ้นี่พระเจ้าเสด็จมาตรงนี้ต้องเลอะแน่เลยเพวัะ น, นั้นให้เหยียบตัวเราก็แล้วกันซูมเมธาดาบดนอนลงพระเจ้าที่วังกรเสด็จมาก็บอกว่าเหยียบหลังเราเลยเหยียบหลังเราเลยมันจะได้ไม่เลอะเท้าเหยียบแล้วกระโดดไปเลยทั้งหมู่คณนะเดิที่เสด็จมาด้วยกันสาวกเหยียบจนจมดินเลย พระเจ้าทีบังกรองที่หนึ่งนะ่ะหันมาถามสุมเมธาดาบทว่าเนี่ยที่ทำกริยาการแบบเนี้ยท่านต้องการอะไรเหรออ๋อเราต้องการเป็นพระเจ้าเป็นพุทธภูมิเหมือนกับท่านพระเจ้าทีบังกรเลยบอกว่าต่อไปในภายภาคหน้าเนะี่ยท่านจะได้เป็นพระเจ้าเหมือนกับเรา ก็นั่นหมายถึงสมณะโคดมนะยุคของเราเนี่ยเจ้าใจยุทธะที่การมาเกิดการใส่บารมีการสร้างบารมีหลายๆอย่างดังนั้นการสร้างความรู้สึกตัวในะการฝึกสติปัญสน่แนว เ, เคลื่อนหไหวเป็นการสร้างบารมีนะมันไม่ทนก็ทนลงไปไม่มีขันติ ม, นมีขันติลงไปมันมีตบาบะสร้างตบาบะลงไปมากมายเหลือเกินต้องฝึกฝืนต้องฝึกฝืกฝนต้องอดทนจนผ่าน จนเกิดสติปัฏฐาน4เกิดการเกี่ยวข้องกับอารมอย่างถูกต้องก็คือสภาวะผู้ดูดูอาการต่างๆที่กายที่ใจของเราจนกระทั่งมันไม่ได้เป็นอะไรกับอะไรตรงนี้คืออิสระภาพจริงๆมันเป็นอารมณ์เป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนเรียกว่าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจะตุทะฌานปัญจมฌานอะไรก็ตามเถอะมันอยู่ในความรู้สึกตัวน่ะทำดีๆ และน้นเราก็จึงมารวมตัวกันในคราวครั้งนี้นะถือวโอกาสเทศกาลมหาสงกรานต์โอกาสที่เรามารวมตัวกันเป็นวันหยุดยาวอะไรก็ตามมหาสงกรานต์ปีใหม่ไทยนะมารวมตัวกันเพื่อที่จะมาฝึกตัวเองฝึกกาฝึกใจของเราด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวด้วยสติปัฏฐาน4จะดูลมหายใจเป็นความรู้สึกตัวจะดูท้องพองจบเป็นความรู้สึกตัว จะเคลื่อนไหวมือ14จังหวัด15จังหวดก็เป็นความรู้สึกตัวจะเดินจงกรมไปไหนมาไหนก็ตามตรงนี้มันจะสามารถเข้าถึงสภาวะที่เรียกว่าหลุดพน้นวิมุตติหลุดพน้นจากอารมณ์จากความทุกข์ทั้งปวงได้เอาละวันนี้ก็พูดให้ฟังสมควรแก่เวลากขอให้พวกเราทุกคนทุกท่านก็ใช้สถานที่ได้เกิดประโยชน์สูงสุดสามารถดีใจทุกๆขณะของเวลารู้สึกตัว จนระทังจิตใจเข้าถึงสภาวะที่เรียกว่าจิตมันพัฒนาหรือหรือที่เรียกว่าภาวนาจนทั้งทำความทุกข์ให้ลดลงตามสมควรแก่การปฏิบัติโดยทั่วนาการทุกท่านทุกคนนั้นเธอ